ยังไงมันตั้งหวงทางโจนอยู่ตรงนี้มีกะว่าลูกชายถึงตัวลูกชายที่ไหนกันลูกชายเจ้าอยู่ไหนมันลูกชายคอยไปตักน้ำดูคนนี้น้องคนไหนมึงรู้ไหมถ้ามึงมันตั้ ง, วงขวงทางโจนอยู่นี่ต้องตายสถานเดียวมึงรู้ไหมเขาบจังบอนี่โจรจริงดีมึงไม่รู้จักโจรหรอเนี่ยมันูบได believe i โจนออกโจนไปใสระลุน้ำเด็นกุกมเป็นเจ้าถึงบงเล้เขาตีบรุลหลา บอกเคยสอนนะละบอห้ามขอนดูครักจังคอยลงมือลำเน่ยลูกบน เจ้าบาลลังกทรง จะมีน้อยอยู่แล้วก็พอไห